โอ้วันนี้รู้สึกว่วพระอดอาหารเยอะเหลือเกินวันนี้คงจะดูว่าฝนตกกําังลูกพระอะไรอดอาหารกันเยอะไม่ลงมาฉันพระทั้งหมดห้าสิบรูปลงมาฉันยี่สิบแปดรูปงดฉันยี่สิบสองรูปไม่ลงมาฉันยี่สิสองรูปนะคูบาวันนี้ รู้สึกว่าบางตาโอ้ <c oughs> oh, วันนี้เป็นขึ้นเดือนใหม่อีกต่างหากตั้งวันนี้นะ <c oughs> วันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่ง <c oughs> เดือนกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอีกสองเดือนออกพรรษา แล้วก็ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาเป็นวันที่แปดพฤศจิกาแต่ว่าเป็นอาทิตย์เป็นวันวันอาทิตย์กลางเดือนพฤศจิกาอาทิตย์ที่สองเป็นวันทอดกรถินวัดของเราเ น, ะนาะขันธ์ฐาติโยมอาทิตย์ที่สองพฤศจิกาตรงกับวันที่แปดเป็นวันทอดกรถินสามัคคี แจ้งข่าวให้ทราบทั่วๆกันแต่ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องหนักเรื่องหนาเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ก็ควรจะประกาศให้รับทราบร่วมกันเพราะว่าสิทธิานุสิ์ผู้ที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสมาทำบุญที่วัดของเราลูกหลานผู้ใด ถ้าพอที่จะมาได้ก็มาร่วมกันเพราะเป็นงานใหญ่งานกรถิ่นถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวพวกเราจะต้อง ถ้ามีธุระไปทางอื่นเอาพวกมีธุระคนเราไม่ธุระไม่เหมือนกันแล้วก็วันนี้เป็นวันหนึ่งเมื่อวานหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับแนวความคิดของพุทธคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เป็นแนวความคิดของพระ อ, องค์ท่านคิดอย่างไรนะ ก่อนที่ท่านจะได้ตัจรูระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพ่นนั้นแต่วันนี้หลวงพ่อจะย้ำอีกจุดหนึ่งจุดที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่าทั้งหกปีท่านไปทำอะไรท่านมีความพยายามมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจจะทำยังไงจึงจะชำระกิเลส ภายในใจของพระ อ, องค์ให้ได้สำเร็จใน้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็คือพระ อ, องค์ไปบำเพ็ญหลายๆอย่างถ้าดูในปฐมปะสมโพธิและพุทธประวัติของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ไม่ได้ลดละในการทำในการทาความภาคเพียร ทำยังไงเขาทำมาแล้วบําเพนยังไงก็พำบำเพนมาแล้วตรวจตราดูตลอดผลที่สุดพระ อ, องค์ทดลองดูทดลองดูการอดลมแต่อันดับแรกก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานพระ อ, องค์นึกคิดขึ้นมาเรื่องไม้อยู่บนบก ไม้แช่อยู่ในน้ําไม้ชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ําไม้ที่มียางแต่อยู่บนบกไม้แห้งห่างจากน้ําแล้วก็แห้งไม้แห้งสนิทเอาไม้สีไฟไม้แห้งสนิทอยู่ในแห้งอยู่ในออกขึ้นมาที่แห้งอีกสีสีไฟเป็นไฟอันนี้พระ อ, องค์ ตกเรียกว่าแนวความคิดของพระองค์หมดใจต้องห่างออกจากเรื่องกิเลสกามรลาคะโทสะโมหะจึงจะทำให้สีไฟได้แต่นี้พระองค์จะทำยังไงจึงจะให้ห่างจากจุดนั้นพระองค์ก็อดเที่แรกพระองค์อดหลมก่อนนะ ก่อนอดก่อนที่จะอดพระกยอาหารเนี่ยอดลมก่อนให้คายวดนั่งกัดสมาสธิเสร็จเรียบร้อยแล้วอดลมกั้นลมปิดปากแล้วก็ไม่หายใจกั้นลมหายใจพอกั้นลมหายใจลมออกหูเลลมออกหูเหมือนกับท่านบอกว่าเหมือนกับสูบที่ช่างทอง สูบลมเพื่อจะเป่าหลอมทองมันเสียงดังขนาดนั้นนะมันออกหูลมออกหูใครก็รู้เนพอลมออกหูเสร็จแล้วพระองค์ปิดหูป่ะไม่ให้ลมออกมันลมกดันขึ้นข้างบ น, ด, นดันขึ้นทางศีรษะะพอขึ้นทางศีรษะโอ้ทุลนทุรายสลบเลยแต่ไเนี่ยนขนาดนั้นนะบลมมะครูนนะสลบ เทวดาที่ดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาค่ะเทวดาทั้งหลายมีหลายหมู่ดูอยู่ตลอดโอ้สิทธัตถะยังไม่ได้ตัดสู้เออมาตายใช่ก่อนแล้วเนี่ยแต่กลุ่มหนึ่งว่าใช่ยังไม่ตายจะไม่ได้ตัดสู้จะตายได้ยังไงอันนี้เพียงนติการบําเพ็ญของพระองค์อย่าง อ, อุ ก, กล็ดนี่แหละที่พูดจะเป็นตัดสู้เนี่ย ขนาดเทวดาทั้งสามสี่กลุ่มยังถกเถียงกันนะที่เห็นเหตุการณนะ์เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทุกวันนี้เลยมนุษย์มนุษย์ถกเถียงกันนะ่ยไม่ใช่ของแปลกทั้งที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นสิทธัตถะล้มสลบลงนะเลน่นยเทวดากลุ่มหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งเทวดากลุ่มหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งแต่พวกหนึ่งพวกสุดท้ายบอกว่าถึงยังไงพระพุทธเจ้าสิทธัตถะไม่ได้ตัตรูนะ้เนี่ย ไม่มีทางที่จะมาณะภาพไปก่อนอันนี้แหะคือเป็นวิหารธรรมของท่านอันนึง่งที่ท่านบำเพ็ญ อ, อย่างนี้แหละท้องผูจ้จะเป็นพุธธทธะเทวดากุ่มหนึ่งคิดอย่างนั้นผลในที่สุดนะสลบประลบฟื้นขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเพื่อจะไม่มีใครที่จะทําเหนือไปกว่านี้อีกถ้าเกินนี้ควอยตายแน่นะ พระพุทธองค์รู้แก่พระไทย <No. S 1> เอาเอาต่อไปนี้เราจะอดปัยาอาหาร เ, าเราจะอดอาหารเลย เ, เทวดาโอ้อย่าเลยท่านาสิทธะขณะท่านอดลมก็ย่างพอแรงแล้วจะมาอดอาหารอีกซ้ำอีกสองอดอาหารทั้งอดลมพอไปพอดอีท่านจะต้องเหมือนมรณะนะไปเลยล่ะตายไปเลยแล้วสวรรคตไปเลยล่ะ ยุดถึงท่านจะอดอาหารพวกข้าพเจ้าจะแทกอาหารเข้าในลุขุมขนของท่านพระองค์บอกอเราก็ได้ตัดเราได้บอกว่าเราจะอดอาหารแต่ถ้าเอาเถอะเราจะไม่อดอาหารทีเดียวเราจะอดอาหารทีละน้อยละน้อยเพื่อไม่ให้มให้เสียํำสัตว์ของเราที่เราจะจะอดอาหารผลนี้สุดฉันอาหาร ซองมือหนึ่งให้ซองมือหนึ่งจะไปยากอนะไรมีเอาเอามือกรอบๆขึ้นมาซองมือหนึก็กินกลักเข้าไปนะฮะคือซองมือหนึ่งต่อมาก็ลดลงลดลงลดลงลดลงเออจนถึงกับเออข้าวเมล็ดหนึ่งลักษณะอย่างนั้นตัวนี้ก็พายผอมลงเรื่อยเลือเล่อยเลื่อยเลืยเออในร่างกายจนเอามือลูบตรงไหนขนหลุดไปตรงนั้น เพราะขนไม่มีไม่มีน้ําเหนื้อหนังออกมาเลี้ยงมันเหมือนกับต้นไม้ไม่มีน้ําเลี้ยงมันนะต้นไม้จะอยู่ได้ไหมหญ้าอยู่ได้ไหมมันก็แห้งหญ้าตายอันนี้ก็เหมือนกันขนไม่มีน้ําเข้าไปเลี้ยงข้างในขนมันหลุดออกมาขนตายเฮ้ยอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านอดภระกยายหารถึงสี่สิบเก้าวัน พระ อ, องค์ก็พิจารณาดูแล้วออืการอดภระกยายหารสี่สิบเก้าวันไม่ใช่หนทางไม่มีใครนักพรตนักปวดใดที่จะทํายิ่งไปกว่านี้เราอดภระกยายหารสี่สิบเก้าวันโอ้ไปว่าเกินไปกว่านี้เราต้องตายแน่ร่างกายของเราพายผอมหมดดําป๋ีไปหมดทั้งร่างกายเลยเราควรจะเริ่มสวยพระกยายหารนะ จากนั้นพระองค์ก็เริ่มฉันภระกาหารพอการเริ่มฉันพระกยาหารเท่านั้นปัญจวคีทั้งห้าเห็นบอกสิทธะกลับมาหากิเลสอีกแล้วที่แรกก็อดพระกยาหารจนล้มสลบคิดว่าจะได้สําเร็จก็ไม่ได้ได้มาอดพระกาหารทั้งสี่สบเก้าวันดูแล้วก็กลับมาฉันอาหารอีก ดูดแล้วล้วนเลยกลับไปกลับมาท่านคงไม่ได้สำเร็จหรอกไปหนีพวกเรานะั่นนะตอนนี้อะตอนปัญจวคีทั้งห้าหนีจากพระ อ, องค์ไปหนีไปแบบหมดอะไรตายอยากอะไรแบบนั้นหนีไปให้ไกลเลยจากกรุงราชคือไปถุงกรุงพาราณสีไม่ใช่ใกล้นะอะไปก็ไปตั้งอาสมอยู่อีกสิตถธธาอยู่ตามลำพังนี่แหละ ให้พระลูกหลานทั้งหลายผู้ที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเนี่ยต้องอยู่ตามลําพังต้องคิดค้นอยู่ตามลําพังเพราะนั้นอยู่ในความสงบอยู่ในความสงัดอยู่ในการเป็นอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายแต่ในใจนะ้าหมนติ우อยู่ตลอดเวลามองดูจิตใจของตอนเองอยู่ตลอดตอนนี้พอปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไปแนละ้วพระองค์ก็ไม่ได้แยแสไม่ได้เสียอกเสียใจอะไร ไปก็ไปแต่พระองค์ก็ดูเลยดูพอฉันพระกยายารพอมีกำลังขึ้นมาท่านก็ระลึกถึงสมัยเมื่อท่านไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่อยู่ที่โคลนต้นว่าอออันนั้นกำลังเป็นหนทางฮะจานั้นพระองค์ก็มานั่งขัดสมาธิอย่างที่ว่าตอนแรกกันนะพระองค์ได้ตัตรูปเพนิวาสานุสติยาน แระลึกชาติผนหลังได้นึกดูของพระ อ, องค์เองยาวเวยดด็ดเลยแต่เนีพอถึงเที่ยงคืนดูสรรพสัตว์ทั้งหลายจต่จูปปาทะยานพอจวนสว่างพระ อ, องค์ได้ดูพระ อ, องค์อีกแต่เนีเกิเลสมันมาจากไหนเข้าฌานเลยเนีฌานก็คือสมาธินั่นแหละสมาธิคือฌานฌานคือสมาธิปฐมฌานตุติเจฌานตติเจฌาน ปอมชานเข้าสมาธิสเสวยความสุขปีติสุขเอกขตานะจนถึงฌานที่สี่มีแต่อุปเปกขาเอกขตานะเป็นฌานที่สี่มีแต่สุขกับเอกขตานะเอกขตาคือความวางเฉย แล้วเกิดมีความสุขในการวางเฉยจากนั้นก็พิจารณาออกจากฌานแล้วก็พิจารณานะทางวิปัสสนาเดินวิปัสสนาค้นคิด ด, ดูดวงผู้รู้คือใจนะแต่พระองค์รู้ได้แล้วว่าสมัยเมื่อพระองคนะ์กั้นลมอดลมนั่นน่ะกั้นลมอดลมปิด จมูกปิดปากปิดหูนะพระองค์รู้ได้รู้เป็นเขาวโคงไว้แล้ววันเนี่ยใจกับกายเนี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเนี่ยเหมือนกับเราไปปิดท่อไอเสียบ้างปิดอะไรบ้างของรถเนี่ยที่มันจะทำให้มันให้มันหยุดเนแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของรถมันเป็นเครื่องของโซเฟ โซเฟอร์นั้นไปไปทำให้กับรถนี่พระองค์รู้แก่แก่พระไทยแหละท่ น, นี่เรื่องเรื่องจุดนัดจุดที่พระองค์กายกับใจใจกับกายเนี่ยแต่ในพออดพระกายาหารอีกเห็นชัดเจนอีกท่นนีเ่เรื่องร่างกายเนี่ยมันมันหมดสภาพแต่ลูกส่วนจิตใจนั้นเป็นยังไงก็รู้กายกับใจอีกชัดเจนจากนั้นพระองค์ก็ได้นั่งก็ได้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิ พระ อ, องค์จึงรู้ไรว่าเนี่ยแหละเห็นได้ชัดมาตามระบับระเบาะกายกับใจใจกับกายอืจากนั้นพระ อ, องค์ก็ดูเข้าปฐมฌานเตติฌานจตุฌานคือเข้าสมาธิพ่อเข้าสมาธิก็คือใจเข้าสมาธิไม่ใช่กายเข้าสมาธินะกายคืออากับกิริยาของธรรมกับกิริยานั่งสมาธิเทตนเองแต่ใจเป็นผู้เข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิใจพระ อ, องค์ดูใจพระ อ, องค์ ดูกำหนดดูพระไทยใจของพระองค์ท่านไม่ได้ดูกายนะท่านดูใจคือความรู้สึกนึกคิดจุดนั้นนะนึก ร, รู้สึกรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรนะจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบพอรวมสงบเกิดญาณทัศนะเกิดฌานคือความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นจะบอกปุเพนิวาสานุจติยานและลึกชาติโหนหลังได้ คนนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อยืนยันแล้วยืนยันอีกบอกแล้วบอกอีกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเออพอพระองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ตามที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวมาเนี่ย น, ะนี่นะตามแนวแถวของพุท ธ, ธจากนั้นก่อนมองดูคนอื่นพอถึงเที่ยงคืนมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรเียกวจุตูตป ป, ปตาตญาการจติการเกิดการตายของ สัพพสัต ท, ทั้งหลายคู่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายแต่ละคนเกิดมาอย่างไงตายอย่างไงแล้วมาอย่างไงมาเกิดที่นี่แล้วตายมันจะไปที่ไหนพระองค์รู้หมดอีกเหมือนกันเพราะว่าตูปปาตยาการจุติของสัรพสัตว ท, ทีนี้กพอพระองค์ก็ดูดูดดพระองค์เองเถิดดวงวิญ ญ, ญาณดวงนี้มาจากไหนจึงมาวกวนเวียนมาเวียนไหวาตายเกิดสัรพสัตว์ ท, ทั้งหลาย เป็นมาอย่างไรต้นเหตุของดวงใจและดวงวิญญาณดวงนี้มาจากไหนนี่แหละพระองค์ก็ค้นไปศึกษาเข้าไปในส่วนพระองค์เองเอใจที่มาจากความโง่พอมันมีความโง่เป็นเบื้องแรกนะบออวิชชาอาวิชชาคือความโง่อวิชชาปั จ, จยาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอาวิชชาปัจจยาสร้างข้าราจนถึงโสกพริเทวทุกขโทมณจุ ร้องให้พี่ไร่รำพันทั้งหลายเป็นผลออกมาจากตัวความโง่จนนั้นะเป็นตัวแรกคือหนึ่งนะฮะพอมีหนึ่งจะมากันมีสองมีสาม ม, สา ม, มีสี่มีห้ามีหกไล่ไปเรื่อยเลยจนถึงตัวจุดท้ายคือตัวที่ตัวที่สิบนะอะตัวที่สิบยังมนแล้วยังบวกเข้าไปอกีกสิบเอ็ดสิบสองอีกขยับมาหาตัวที่หนึ่งอีกแล้ยืดยาวไปลวเลยการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย แล่ออกมาจากตัวหนึ่งก็คือตัววิชานะะั่นแ่ะคือตัวความโง่เนี่ยแหละพระองค์ก็ได้พิจารณากรรมจัดตัวสิ่งที่มันสิ่งที่มันมีความรู้นะดับไปทีละตัวแล้วตัวจนถึงดับถึงความรู้สึกนึกคิดตัววิญญาณไม่รับรู้รับทราบจากนั้นพระไทยใจของพระองค์ก็บริสุทธิ์ขึ้นมาอถอนออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่ หลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงปล่อยวางนี่แหะในวันนั้นวันเดือนหกเพต น, นั้นนี่แหละคือความเป็นมาของพธธุทธะอันดับแรกพระองค์ปฏิบัติตนปฏิบัติตนอย่างไรก็เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายท่านไปส่องหาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์าาาก็คือค้นคว้าในเมื่อค้นคว้าท่านค้นคว้า ถึงเอ๊ะเราจะอดภักยะเราอดลมดีไหมนั่งกัจสมาทิ้ะอดลมฮ้อดอดลมก็ไม่ใช่ธรรมดาจนสลบเนะนี่ยว่าลงตามหาบัวทหมดพระพุทธเจ้าสลบถึงสามครั้งนี่นะ่ะเพราะอดลมทดลองนี้อดลมก็ต้องสลบแน่ๆว่ะหายลมหายใจไม่เข้าไม่ออกเป็นยังไงมันออกทางหูปิดหูอีกมันก็ขึ้นไปทางบนศีษาลมดันขึ้นบงเปือ ง, งบน โผน่ในสู่ก็ล้มเลยสลบนะขนาดนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาไม่ใช่ว่าไปแบบสะดวกสบายอย่างที่ลงตามหาบวงไปที่ไหนเอาหมอนแขวนคอไปไม่ใช่นะ ไ, ไปท่านไปบำเพ็ญจริงๆเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหรนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนให้ฟังเอาไว้นี่คือวิถีทางเดินของบรมครู คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ว่าเดินด้วยความสะดวกสบายมีความสุขหน่าท่านดูวิธีการของท่านอแต่พวกเราท่านทั้งหลายเอจนนั้นก็สุขมีความสุขสะดวกสบายมีเงินใช้ลูกหลานถูกต้องตามใจไปที่ไหนก็สะดวกสบายแต่มันใช่ในช่วงนี้นแต่ช่วงใจจะขาดนสิ ช่วงใจจะขาดมันอีกช่วงหนึ่งนะเท่านั้นถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถึงใจหรอพกพูดให้ฟังเนีร่างกายในตายแน่ๆนะการทัศนทายญาติโยมลูกหลานนะเอดูนะความตายนะพิรณาทุกให้ดีนะเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายนะลูกหลานนะจะตั้งอยู่ในความประมาทนะลูกหลานนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรพวกเราก็ยังไม่ถึงใจนะเอแต่พอมาถึงจุด ตัวเองเจอเข้าไปจังๆนั่นน่ละท่า น, นั้นนะบางทีกับเอพูดไม่ออกก็เลยไปเลยก็จบไปเลยชาติหน้าก็ลืมอีกลืมอีกเอมีความสุขจริงๆอีกเอีกพอใจจะขาดอีกนะนะโอ้โหตาตๆตายทุกขนาดนี้เที่ยวเหรอแต่บางคนใจจะขาดแล้วนะถึงขีดแดงกลับเข้ามาโอ้โหตาตๆตายๆในช่วงใจจะขาดจะไม่ใช่ธรรมดาทุกจริงจริงว่ะหมดอะไรตายอยากในชีวิตจริงๆในช่วงนั้นฮะ อันนี้พอกลับมาฮะกลับกลับเหมันมีพอกลับมาอีกสักหน่อยก็หลงอีเอเพราะมันมันกิเลส ต, ตัวให้หลงมันมีอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้นะให้พวกเราคิดนึกเอาไว้ส้ำเหนียกเอาไว้สรุปแล้วก็คืออย่าลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาจนเกินไปให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ให้ทําสิ่งนั้นให้มากไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนา มิใช่ว่าเราจะมีต่ทานอย่างเดียวนะสินก็ใช่รักษาสินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติทำประกอบคุณงามความดีอันไห น, นคือคุณงามความดีรู้ไหมดีต้องปฏิบัติตนให้ดีเนี่ยแหละถ้าศึกษาดีในหลักของพุทธศาสนาคืออะไรคือมีทานมีสินสินคืออะไรคือสินห้าสินห้านะคือคนดี รับรองเลยพระพุทธเจ้ารับรองเลยว่าผู้ที่มีศีลห้าปิดอวัยยพงไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตธิลิชานไม่เป็นเปรตมีแต่มนุษย์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เท่านั้นคะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านยืนยันรับรองว่าผู้ที่มีศีลห้านะพระพุทธเจ้ารับรองแต่โลกเทวันนี้ก็เถอะนะ ถ้ามผู้มีศีลห้ารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วข้อสําคัญอย่ารักษาศีลห้าแบบหลอกๆนะถ้าเป็นรักษาศีลห้าแบบลอกๆเนี่ยติดคกุกติดตารางได้นะแต่รักษาศีลห้าแบบจริงจังและจริงใจรักษาศีลห้าด้วยความเลือดสุดใจจริงๆเนะี่ยศีลห้าเนี่ยคุ้มครองนะไม่ติดคกุกไม่ติดตารางนะี่พวกเราคิดดูให้ดีสิคนที่อยู่ในคกุกอยู่ในตารางนะทำสิทธิผิดศีลข้อไหนบ้าง มันผิดศีลห้านะ่ยมันไม่ใช่ผิดศีลข้ออื่นๆนะอศีลห้าของพระพุทธเจ้าตัดรากตัดโคลนตัดเง่าความชั่วทั้งหลายทั้งปวงสัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนี่แหละเป็นผู้มีศีลศีลห้าเนะี่ยศีลคุ้มของโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ต่อเ น, นื่องไปหลวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิด เพื่อการเรียนรู้ศึกษาอตอ น, นี้ไปพัะ ส, สงอนุมโมทนาให้พรรับพรนา น, นี้นะ